รูน่าล รู้สวรรค์ไม่เท่าทันรู้จิตใจรู้อดีตรู้อนาคตสายไม่เท่ารู้ปัจจุบันรู้จบแบดหมื่นสี่พันระธรรมมะขันไม่เท่ารู้ลางรู้ปล่อยวางรู้นรกรู้สวัรไม่เท่ารู้จิตรู้อดีตรู้อนาคตไม่เท่ารู้ปัจจุบัน ฉันถึงรู้สวรรมีเท่ารู้จิตใจรู้อนาคตแค่ไหนรู้อดีตใส่ไม่เท่ารู้ปัจจุบันรู้จบพระธรรมคันต์ก็ไม่สําคัญเท่ารู้ลารู้ปล่อยวางรู้นลรกรู้สวรรไม่เท่ารู้จิตรู้อดีตรู้อนาคตไม่เท่ารู้ปัจจุบัน รู้นลกลก็รู้สวรรคไม่เท่ารู้จิตรู้อดีตรู้อนาคต เท่ารู้ปัจจุบันรู้จบแปดหมื่นสีพันพระธรรมมาคันไม่เท่ารู้ลักรู้ปล่อยวาง